พิสูจเหล่านั้นก็ได้ถามปัญหาอื่นที่สูงขึ้นไปโดยนัยนี้ว่าใต้เท้าครับอย่างนั้นยังมีอยู่อีกหรือปริยายปริยายแปลว่าเหตุเนี่ยนะเหตุแม้อย่างอื่นที่เหนือกว่าปัญหาที่ใต้เท้าได้ถามเองตอบเองมาแล้วนะที่ได้ถามตอบนั้นก็ดีแต่ว่ามีอย่างอื่นอีกไหมมีวิธีอื่นอีกไหมนะสังเกตดูคางคนที่ที่คนที่เวลาเดินทางเนี่ยนะเขาจะไปไหนสักแห่งหนึ่งเขาจะถามทางเนี่ยเขาจะไม่ถามทางเส้นเดียว มีเส้นอื่นอีกไหมมีเส้นอื่นอีกไหมมีเส้นอื่นอีกไหมที่จะทำให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วเนี่ยนะเขาเหมาะที่จะเดินทางเส้นไหนเพื่อจะแวะไปธุระอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ยนะเป็นต้นเขาจะถามทางหลายๆทางด้วยกันอีกอย่างหนึ่งมีคำอธิบายไว้ว่าภิกษุเหล่านั้นได้พากันถามปัญหาในส่วนที่เหนือกว่าปัญหาก่อนอธิบายว่าภิกษุเหล่านั้นถามปัญหาข้อแรกให้สูงขึ้นไปอีกอย่างหนึ่ง ภาษาริบทเมื่อจะพยากรณ์ปัญหาให้พิสูจน์เหล่านั้นได้ฟังก็กล่าวคาว่าสียาวุโซยังมีอีกยังมีอีกอธิบายตามลำดับบทว่าอาหารสีอย่างเหล่านี้เพื่อความดำรงอยู่แห่ง เ, เพื่อความดารงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่กำลังสแสวงหาที่เกิดหรืออีกในหนึ่งบอกว่าเพื่อให้สัตว์ที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดดารงอยู่ได้ เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดหรือสงเคราะห์พูดและสัมภเวสีนั้นคําว่าอาหารอาหารในอาหารสี่ประการอาหารคืออะไรอาหารนั้นเป็นชื่อของปัจจัยปัจจัยธรรมเนี่ยนะสิ่งใดก็ตามที่สามารถนําผลมาให้แก่ตนสิ่งนั้นเรียกว่าอาหารปัจจัยเรียกว่าอาหารเพราะสามารถนําผลมาให้แก่ตนสิ่งใดที่เป็นเหตุเพราะคําว่าเหตุสมุทัยปัจจัยอาหารนิทาน ปะภาวะเป็นตัวเนี่ยพวกนี้เป็นชื่อของอาหารทั้งนั้นเลยอาหารหรือปัจจัยนี่คือสิ่งเดียวกันอาหารก็คือปัจจัยปัจจัยก็คืออาหารอาหารก็คือเหตุเหตุก็คืออาหารอาหารคือนิทานนิทานก็คืออาหารเพราะนั้นอาหารคือเหตุตัวนี้เหตุแปลว่าสิ่งใดที่จะนําผลมาให้หรือมอบให้ซึ่งผลสิ่งนั้นเรียกว่าอาหารอาหารเหล่านี้เนี่ยอนุเคราะห์ใครอนุเคราะห์พูดหรือสัมภเวสี พูดคือใครพูดคือสัตว์ที่ถือกําเนิดแล้วส่วนสัมภเวสีคือพวกสแสวงหาสมภพสแสวงหาการเกิดนะได้แก่สแสวงหาการบังเกิดขึ้นเรียกว่าสัมภเวสีทีนี้การที่จะเข้าใจพูดและสัมภเวสีเนี่ยนะต้องเอากําเนิดสีมาจับกําเนิดสีมีเกิดที่ไหนบ้างเกิดในคันเกิดในฟองไข่เกิดในเท่าไข่และเกิดเป็นโอปปาติกะเนี่ยนะกำเนิดสี สอย่างอธิบายว่าสัตว์ที่เกิดในฟองไข่และเกิดในหยดน้ําหยดน้ํานี่คืออะไรเกิดในคันน่ะนะตราบใดที่ยังไม่ทําลายกระเปาะฟองและยังไม่ออกจากมดลูกมาออกยังไม่ออกจากรังมดลูกมาตราบนั้นยังชื่อว่าสัมภเวสีถ้ายังอยู่ในท้องอยู่ในคันอยู่เลยเรียกว่าพวกสัมภเวสีต่อเมื่อทําลายกระเปาะฟองเช่นลูกไก่ไงนะ ลูกไก่ถ้าออกจากกระเป๋ะฟองหรือคลอดออกมาแล้วเด็กที่คลอดออกมาแล้วภายนอกเรียกว่าพูดของเราก็ตอนนี้ก็เป็นพูดนะนะไม่ใช่สัมภเวสีใช่ไหมพวกที่อยู่ในครันทั้งหลายพวกที่อยู่ในท้องอยู่ในไข่เขาเรียกว่าพวกสัมภเวสีเนี่ยนะหาที่คลอดอา้าวสัมภเวสีต้องแปลว่าหาที่คลอดพูดก็แปลว่าพวกคลอดแล้วอันนี้สําหรับผู้ที่เกิดในไข่กับเกิดในครัน น, นันสโรปเอาใหม่นะว่าพวกถ้ายังอยู่ในคันยังอยู่ในไข่เรียกว่าสัมภเวสีทักออกมาจากคันออกจากไข่เมื่อใดเรียกว่าพูดอันนี้ในในหนึ่งของพวกที่เกิดในคันในไข่ถ้าพวกที่เกิดในเท่าใครและโอปปาติกะล่ะสังเสริชาและโอปปาติกะก็คือในจิตดวงเร่ขณะปฏิสนธิจิตขณะนั้นเรียกว่าสัมภเวสีตั้งแต่ภวังคจิตเป็นต้นมาเรียกว่าพูด ขณะปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าสัมภเวสีดวงที่สองเป็นต้นใบก็เรียกว่าพูดแลขณะที่แรกเกิดครั้งแรกดวงที่หนึ่งเลยนะเรียกว่าพูดล้วพวกนี้สแสวงหาที่เกิดวัะไอ้วิญญาณพเนจรแบบที่เขาพูดพูดกันเนี่ยไม่ใช่คําว่าสัมภเวสีในที่นี้อะไรนะฮะพวกตายปั๊บกว็วิญญาณล่องลอยยังหาที่เกิดไม่ได้ยังฝากท้องฝากคันใครไม่ได้เรียกว่าพวกสัมภเวสี คำพูดอันนั้นเนี่ยมันถูกไม่หมดอาจจะถูกแต่มันไม่ใช่ผิดโดยส่วนเดียวนะแต่คำพูดที่พูดถูกไม่หมดไม่ใช่เป็นนิยามที่แน่นอนที่เรียกว่าวิญญาณพเนจร อ, อะไรเรียกว่าสัมภเวสีนะอันนั้นเป็นคำพูดที่ไม่มาตรฐานแต่ก็ไม่ได้ผิดโดยส่วนเดียวแต่นี้พูดถึงว่าพวกสัมภเวสีคือใครบอกขแรกขณะปฏิสนธิหลังจากนั้นเรียกว่าพูดอันนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่ง สัตว์ทั้งหลายเกิดโดยอิริยาบถใดก็ตามตราบที่ยังไม่เปลี่ยนอิริยาบถเรียกว่าสัมภเวสีถ้าเปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วเรียกพูดเทวดาบางพวกนี้เวลาปฏิสนธินี่เช่นปฏิสนธิลืมต า, าพับเอานอนอยู่ในเตียงไงนะเสร็จแล้วก็เดินลุกเมื่อไหร่ถ้าขณะที่นอนอยู่ในเตียงก็เป็นพูดลุกขึ้นเดินก็เป็นสัมภเวสีบางพวกนี้ปรากฏตัวโอปปาติกะบางทีนี่ก็ยืนอย่างไงนะ พยืนขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถไปเดินไปนั่งเป็นต้นก็เป็นพูดสัตว์ที่เกิดแล้วคือสัตว์ที่เกิดแล้วนี่เกิดจริงๆเลยก็คือใครอีกนายหนึ่งนะพระขีณาศพเหล่าใดผู้เป็นท่าเรียเจ้านั่นแหละนับว่าจักไม่เกิดอีกเรียกว่าเป็นผู้ที่เกิดแล้วเกิดแล้วเนี่ยนะผู้ที่เกิดเสร็จแล้วเนี่ยหมายว่าไม่เกิดอีกต่อไปแล้วหมายถึงพระอรหรันต์คำว่าพูดเป็นชื่อของพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์คือผู้ที่เกิดเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องเกิดใหม่อีกแล้วเกิดเสร็จแล้วภูตาเนี่ยนะเกิดเรียบร้อยแล้วส่วนพวกเราที่นั่งๆกันอยู่โดยมากเป็นสัมเวสีก็บอกว่าสัตว์เราได้สแสวงหาการเกิดก็อะไรนะบอกว่าไปไหนทุกคนเนี่ยนั่งรออะไรบอกนั่งรอความแก่และความตายนั่งให้มันแ ก, ก่กว่านี้จะได้ตายเนี่ยนะไปไหนบอกไปให้มันแ ก, ก่กว่านี้แล้วจะได้ตายเอาตายก็เกิดมันอยู่ไกลกันหรือไม่กลตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิด ตาแล้วก็เกิดเป็นผู้ที่ยังไปเกิดอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าสัมภเวสีพผ้าหัน์ทั้งหลายเป็นพวกพูดเนี่ยนะภาษาริบุตรพระโมกขลานะเป็นต้นท่านเหล่านั้นเป็นพูดสําหรับผู้ที่เป็นปุตุชนหรือพระเสขะเป็นต้นที่ยังไม่บรรลุเป็นพระ้าหันพวกนี้ก็เรียกว่าสัมภเวสีพวกนี้ก็ยังยังยั ง, ย ง, ยงละสังโยชนในภพไม่ได้ก็สแสวงหาภพอยู่ร่ําไปสแสวงหาภพสแสวงหาชาติกําเนิด สแสวงหาการปฏิสนธิคําว่าภูตาวาสัมภเวสีวาเนี่ยนะคลุมทั้งคลุมถึงสัตว์ทุกชนิดสัพสัตว์ในวัตตาในภูมิสามเนี่ยนะว่าสัตว์มีอยู่แค่ในภูมิสามเนี่ยปันสัตในภูมิสามในการมาพบรูปประพบและอรูปประพบเนี่ยนะอาหารสี่ประการทิฏยาเพื่อดํารงอยู่อนุกหายะเพื่ออนุเคราะห์หรือเพื่ออุปการะสัตว์ที่อยู่ในภูมิสาม สรุปสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นปุตุชนหรืออริยชนสัตว์เหล่าสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาหรือใครก็ตามทั้งหมดสัตว์ทุกภพภูมิย่อมดำรงอยู่ด้วยอาหารมันสองบทว่าทิฏฐิยากับอนุกหายะมีความมีความต่างกันแต่เพียงคำพูดโดยความหมายก็อย่างเดียวกันมันคำว่าทิฏฐิยาเพื่อดำรงอยู่คือเพื่อไม่ให้ทาทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว แกสัตว์เหล่านั้นขาดตอนไปโดยไม่สามารถเกิดติดต่อกันได้อย่างเช่นอพอปฏิสนธิมาเนี่ยรูปอาหารเนี่ยหล่อเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันในรัางกายนี้เจริญด้วยอาหารเติบโตอยู่ด้วยอาหารดํารงอยู่ด้วยอาหารอาหารนี่หล่อเลี้ยงมาจนถึงปัจจุบันนั้นอาหารเนี่ยเพื่อการดํารงอยู่แห่งสัตว์ในภูมิสามอาหารเหล่านี้เพื่ออนุเคราะห์สัตว์คือเพื่อให้ธรรมที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นสืบเนื่องต่ อ, ต, อต่อไปได้ เพราะถ้าขาดอาหารเมื่อใดก็ถือว่ากลายเป็นจุติเนีนะจบเลยเพราะงั้นเถอะถ้าตัดอาหารเมื่อไหรตัดอาหารได้เด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าถ้าตัดอาหารโดยประการทั้งปวงนะแต่ถ้ายังตัดอาหารสี่เหล่านี้ไม่ขาดอย่าคิดนะว่าจบแล้วเพราะว่าสังสารวัตขณะที่เป็นไปอยู่ตลอดนี่ดํารงอยู่ด้วยอาหารทุกขณะจิต กรรมชรูปทุกกรรมชรูปดํารงอยู่ด้วยอาหารหมดปฏิสนที่จิ ต, จ, ต, จ, ตจุติจิตผวังขจิตจิตที่เป็นไปในสังสารวัฏไม่ว่าจะอยู่ในอิรยาบทใดภูมิใดที่ใดแห่งใดดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่ทั้งหมดขณะไหนที่เราว่างเว้นจากอาหารสีบ้างสังเกตดูง่ายๆเวลาจะไปไหนคิดถึงกับผลิมกระาหารก่อนเอจะไปกินอะไรสองต้องการผัดสอาหารไปนอนที่ไหนต้องการจะไปดูอะไรใช่ไหม แล้วก็บางทีก็มโนสันเจตนาอาหารเไปทำอะไรไปพูดอะไรไปคิดอะไรนั่นก็เป็นมโนสันเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณก็พเนจรเพื่อท่องเที่ยวดูโ น, โน่นดูนี่ไปเรื่อยเนยนะเพื่ออะไรเพื่อนี่แหละนั้นผู้สัตว์ทุกขนทุกแห่งทั้งหมดดำรงอยู่ด้วยอาหารสี่ประการพันอาหารทั้งสี่ประการนี่แหละเพื่อการดำรงอยู่เพื่ออนุเคราะห์พูดทั้งหลาย อาหารทั้ง4ี่ประการนี้เพื่อดํารงอยู่เพื่ออนุเคราะห์สัมภเวสีทั้งหลายพันพาอาหารยังดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่ผู้ที่ทําที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์แล้วก็ยังดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่ผู้ที่ยังไม่ทําที่สุดแห่งทุกข์ก็ยังดํารงอยู่ด้วยอาหารสี่มันอาหารสี่นั้นเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัตว์เพื่อดํารงอยู่แห่งสัตว์เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะพั น, นสัเพเทสตาห า, าถิทิกาสัตว์ทั้งปวง ดำรงอยู่ด้วยอาหารนั้นทำหนึ่งที่ควรอะไรควรรู้ยิ่งทำหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งก็คือสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารนี่อาหารข้อแรกเนี่ยนะอาหารข้อแรกคือกับผลิงกราหารกับผลิงกระหารเนี่ยที่เป็นอาหารเพื่อการดํารงอยู่เพื่ออนุเคราะห์ผู้ทั้งหลายเพื่ออนุเคราะห์สัมภเวสีทั้งหลายอาหารเรียกว่ากับผลิงกราหารก็คืออาหารที่จะต้องทําให้เป็นคำคำ แล้วก็เกลืนกินชื่อว่ากัพลิงกราหานทำให้เป็นคำคำนะถ้าเป็นน้ำก็เป็นอึกๆใช่กัพลิงกราหานเป็นชื่อของโอชาโอชาเนี่ยนะเป็นชื่อของโอชาที่มีที่อยู่ในข้าวสุกและขนมสดเป็นต้นเป็นที่ตั้งหมายคมว่ารูปมีโอชาเป็นที่8ปเนี่ยนะไอตัวโอชาที่อยู่ในอวินิพครูปนั่นแหละชื่อว่าตัวกัพลิงกราหานไออาหารตัวนั้นจะถามหาจากไหน ก็หาจากข้าวหาจากขนมสดหาจากผักผลไม้หาจากสถานดูจากวัตถุใช่ไหมวัตถุเป็นเครื่องบอกโอชาอย่างเช่นอะไรนะหนังสือบางเล่มเขาบอกว่าในพืชผักผลไม้ตัวนี้มีโอชาอะไรบ้างอยู่ในนั้นขยกสารอาหารออกมาเลยเพราะฉนั้นโอชาก็คือสารอาหารนั่นแหละเนี่ยนะคำว่าโอชาเป็นชื่อของสารอาหารรวมทั้งสรรพคุณแห่งความเป็นยุ่ยาที่อยู่ในวัตถุทั้งหลายแล่นี่นะ ที่เขาแยกแยกสมัยใหม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วนะการแยกใน1เม็ดประกอบด้วยอะไรบ้างเป็นต้นเขาก็แยกให้ดูว่าในนั้นมีโอชาอะไรอยู่ในนั้นบ้างกับพลิงกระหานมีทั้งโอลาริกาวาสุขุมวาคือชื่อว่าโอลานเพราะว่าวัดหยาบโดยวัตถุสุขุมเพราะละเอียดโดยวัตถุแต่โดยสภาวะนี้กับพลินกระหานเป็นของละเอียดอย่างเดียวเพราะนับเนื่องในสุขุมรูป โอลาลิกาูปทั้งหมดมีเท่าไหร่สิไงโอลาลิกรูป12คืออะไรคือปภาษาทรูปห้าวิศยรูป7เนี่ยนะนะวิศยรูปเจ็ดภาษาธรูปห้าก็คือตาหูจมกกูกลิ้นกายสีเสียงกลิ่นรสปฐวีเตโชอาวายโยพวกนี้เรียกว่ารูปหยาก ร, รียกว่าโอลาลิกรูปที่เหลือทั้งหมดจากนั้นเป็น สุขุมรูปรูปละเอียดพันสารอาหารทั้งหลายเป็นสุขุมมารูปเนี่ยนะโอชารูปเนี่ยนะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าการที่อาหารนั้นจะเป็นของหยาบหรือเป็นของละเอียดโดยวัตถุแต่ก็รู้แต่ก็พอจะรู้ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นอุปาทายรูปความจริงอาหารถ้าผมมาดูว่าอย่างอาหารของของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะดูความหยาบความละเอียดดูจากวัตถุ เช่นอาหารของนกยูงชื่อว่าเป็นของละเอียดถ้าเปรียบเทียบกับอาหารจระเข้เพราะจระเข้หุบก้อนหินเข้าไปและก้อนหินเหล่านั้นก็พอตกถึงท้องก็สามารถย่อยออกไปได้ น, นะจระเข้เนี้ยย่อยย่อยหินได้นะยู้ย่อยได้ยังไงแต่ไม่ใช่ว่าเอาหินก้อนใหญ่เท่าตุ่มใส่เข้าไปนะมันไม่ย่อยหรอกแต่หมายพูดถึงก้อนหินธรรมดาธรรมดานี่นะพวกนกยุงเนี่ยนะพูดถึงนกยุงเนี่ยนะ สามารถกินสัตว์มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นงูแมลงป่องเป็นต้นออกไปได้สัตว์ตระกูลนกๆกเนี่ยนะมันมีเขาเรียกว่ามีเกินมันมีเกินที่ที่มันคอยคอยบดเนี่ยนะบางทีเนี่ยเคยเห็นเป็ดบางตัวในเวลามันจิกหอยเนี่ยนะหอยหอยเปลือกแข็งเนี่ยไม่รู้มันไปย่อยตอนแรกเอยมันไม่ติดท้องตายเรืเนี่ยมีเกินมันมีเครื่องบดอยู่ในนั้นมันมีเหมือนกับครกบดอยู่ในนั้นนะมันย่อย ไม่รู้สัตว์พวกนี้เป็นโรคกระเพาะว่งหรือเปล่าไี่สาบนะมันบดซะจนกระเพาะถลอกหมดนั่นนั่เพราะพวกนี้มันสามารถที่จะย่อยนะย่อยก้อนหินย่อยก้อนกรวดออกไปได้ทีนี้ต่อไปบอกว่าแต่อาหารของหมาในเนี่ยนะหมาในเนี่ยบอกว่าละเอียดถ้าเปรียบกับอาหารของนกยูงทราบมาว่าหมาในเหล่านั้นแทะเขาและกระดูกของสัตว์ที่ทิ้งไว้สามปีได้เขาและกระดูกของสัตว์เหล่านั้นพอเปียกน้ําลายของมันเท่านั้นก็ยุ่ยเหมือนกับเง้ามัน หมาประเภทนี้น้ำลายมันเป็นกรดเป็นอะไรไม่ทราบเนี่ยนะพอไปโดนอะไรเข้านี่ผุเลยไปโดนอะไรเข้าก็สิ่งนั้นผุเลยนะเอามาเคี้ยวกินได้เลยอนะ่ะส่วนอาหารของพวกช้างชื่อว่าเป็นของละเอียดถ้าเปรียบกับอาหารของหมาในเพราะว่าช้างนี่กินเฉพาะกิ่งไม้น า, นานาชนิดกิ่งไม้หมามแทะกระดูกได้อนะ่ะที่ดูช้างนี่แทะกระดูกไม่เป็นเพราะฉะนั้นอาหารช้างละเอียดกว่าอาหารหมาใน ส่วนอาหารของสัตว์ทั้งหลายเช่นโคลานระมาสมรึกน่ยนะพวกกวางละมั่งเป็นต้นเนี่ยนะชื่อว่าละเอียดถ้าเทียบกับช้างเพราะช้างกินหยาเพราะว่าพวกนี้กินเฉพาะใบไม้นาณาชนิดที่ไม่แข็งนะใบไม้แบบชนิดมีแก่นแก่นเป็นต้นเนี่ยพวกสัตว์นี้กินไม่ได้อาหารของโคชื่อว่าเป็นอาหารละเอียดกว่าพวกโคลานเป็นต้นกว่าพวกสัตว์ในป่านะโคนี่กินละเอียดกว่านั้นเพราะว่าพวกโคทั้งหลายกินหญ้าสดและหญ้าแห้ง ส่วนอาหารกระต่ายก็ละเอียดกว่าอาหารโคกระต่ายเคี้ยวแต่หญ้าใช่กินแต่หญ้ากินต้นข้าวนะส่วนอาหารของนกก็ละเอียดกว่าอาหารของกระต่ายอาหารของชาวชนบทชายแดนเนี่ยนะก็ละเอียดกว่าอาหารนกดีกว่าอาหารนกอาหารของเจ้าเมืองในอำเภอทั้งหลายก็ละเอียดกว่าชาวบ้านชาวชายแดนทั่วไปอาหารของพระราชาและมหาอามาตย์ของพระราชาละเอียดกว่าอาหารของเจ้าเมืองชนบทในอำเภอเป็นต้นเนี่ยนะ อาหารของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยละเอียดกว่าอาหารของคนเหล่านั้นทั้งหมดในบรรดาอาหารมนุษย์อาหารของพระเจ้าจักรพรรดิละเอ ad ad ียดกว่าเพื um ่อนส่วนอาหารของภุมมะเทวดาละเอียดกว่าอาหารของพระเจ้าจักรพรรดิเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะอาหารดีกว่าอาหารของพระเจ้าจักรพรรดิอาหารของชั้นจาตุมก็ดีกว่าอาหารของภุมมะเทวดาอาหารของดาวเดืองก็ดีกว่าจาตุมอาหารของยามาก็ดีกว่า ดาวดึงอาหารของดุสิตก็ดีกว่ายามาอาหารของนิมมานรดีก็ดีกว่าดุสิตอาหารของปรณิมมิตวสวัตดีก็ดีกว่าอาหารของเทวดาชั้นนิมมานรดีมันอาหารที่เรียกว่าคุณภาพของอาหารของแต่ละพบภูมิก็แตกต่างกันนะอาหารดีหรือไม่ดีก็เปรียบจากแบบนี้จากวัตถุที่กินเข้าไปเนี่ยนะอาหารหยาบอาหารละเอียดเขาก็มีการเปรียบแบบนี้ใครอาหารหยาบกว่ากันใครมี อาหารละเอียดกว่ากันอาหารถ้าคนบางอย่างมันรสจัดจริงๆเลยนะเค็มก็เค็มจริงๆเลยเป็นต้นอันหนึง่งอันนี้นิปรยายหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งเลยนะเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยนนัยยะว่าในวัตถุหยาบถ้าเป็นวัตถุหยาบนะโอชามักจะน้อยแล้วก็มีพลังต่ําถ้าวัตถุละเอียดโอชามีพลังสูงยกตัวอย่างเช่นผู้ดื่มข้าวต้มข้าวยาคูเนี่ยนะข้าวต้มข้าวต้มแบบนี้ถึงจะดื่มหมดบาทก็ช่างเถอะ หมดบาทบาทพระนะครู่เดียวเท่านั้นก็หิวไม่เชื่อก็เอาน้ำข้าต้มมาดื่มดูดื่มน้ําเข้าต้มน้ําข้าวเฉยๆเนี่ยนะเดี๋ยวไม่นานก็อยากจะเคี่ยวกินสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นั่นเองแต่ผู้ดื่มเนยใสเนี่ยนะดื่มเนยใสแม้แมเพียงฝายมือเดียวก็ไม่อยากกินไม่หิวแม้ตลอดวันได้กินเนยก้อนหนึ่งก็กินข้าวต้มถ้วยหนึ่งเลยนะอีกคนหนึ่งกินแต่ข้าวต้มอีกคนหนึ่งกินแต่เนยก้อนหนึ่งต่างกันไหมข้าวต้มเดี๋ยวพักเดียวนะสองชั่วโมงเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วเนี่ย กินเนยไปก้อนหนึ่งก็ม่อยากทานอะไรไปแล้วเนี่ยนะก้อนโตโตแก่ก้อนมีอันนี้ก้อนโตโตมีคุณภาพหน่อยนะส่วนผู้ดื่มเนยใสแหมอ่านะต่อไปว่าในวัตถุและโอชาวัตถุอ่านะวัตถุสามารถบรรเทาความกระวนกระวายคือความหิวได้แต่ไม่รัสามารถจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้มันก็กินอะไรให้อิ่มท้องอิ่มท้องเนี่ยกินอะไรเคี้ยวอะไรมันก็อิ่มท้องได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าชีวิตรอดตายได้ไหม ไม่ได้ส่วนโอชารักษาชีวิตไว้ได้แต่ก็ไม่แก้หิวไม่ได้หิวไม่รู้พวกแบบนักวิทยาศาสตร์เข้าไปที่มันแก้หิวได้ยังไงนะไม่มีอะไรอยู่ในท้องสักเท่าไร่เลยนะพั้นท่าทั้งสองรวมกันก็สามารถระ ง, งับความหิวและความกระวนกระวายไว้ได้ฉะนั้นต้องมีทั้งโอชามีทั้งวัตถุถามว่ามันยังไงก็เหมือนโดนโตที่เราทานทานกันนั่นแหละแปลว่ามันสมบูรณ์ด้วยโอชาและวัตถุเนี่ยนะมีทั้งโอชามีทั้ง วัตถุวิวรวมกันก็เลยชีวิตก็เลยดำรงมาได้จนถึงทุกวันเนี่ยนะรูปก็เจริญสืบเนื่องกันมาหลายๆ10ปีกันอันนี้คืออาหารที่หนึ่งคือกับพลิงกระหารเพราะรูปเกิดเพราะอาหารเกิดนะความเจริญเติบโตของรูปที่เป็นไปของรูปอ้วนผอมเป็นต้นก็เนื่องจากรูปคืออาหารนั่นแหละอาหารนี้เป็นปัจจัยสําคัญแห่งแห่งชีวิตที่ดําเนินไปดํารงอยู่และเป็นไปเป็นต้นนั่นเอง คำว่าอาหารนี่ให้รู้เธอว่ารวมทั้งยาด้วยนะรวมทั้งยาด้วยนี้อาหารที่สองอาหารที่2ก็คือภัสสะใช่มหนึ่คือกับพลิงกะหานสองคือภัสสะผัสสะมีเท่าไหร่ภัสสะหกนะนะผัสสะที่เกิดทางตาภัสสะที่เกิดทางหูภัสสะที่เกิดทางจมูกภัสสะที่เกิดทางลิ้นภัสสะที่เกิดทางกายและภัสสะที่เกิดทางใจเนี่ยนะเรียกว่าภัสสะทั้ง6 พรรษา6นี้เป็นอาหารเหมือนกันอาหารนํามาซึ่งอะไรเวทนาสานั้นตัวพรรษาในทวาร6กเนี่ยนะท่าขนขณะที่ลืมตาในขณะนี้ขณะลืมตานี่ก็ชื่อว่าบริโภคอาหารหูได้ยินเสียงหนึ่งคำก็ชื่อว่าบริโภคอาหารอยู่นะทุกทวารที่รับกระทบหมดชื่อว่าบริโภคอาหารที่เป็นพรรษาอาหารกับพลีกระลาอาหารนี่ยังบริโภคเป็นเวลาเลยใช่ไหมแต่พรรษาอาหารนี้บริโภคไม่มีเวลาเลยบริโภคตลอดเลยนะ อย่าคิดว่าเราไม่รับประทานอาหารในมิน่าเราจะอยู่ได้ในวัฏะยาวมากเลยนะก็เพราะว่าไม่ขาดอาหารเลยนะไม่ขาดสารอาหารแม้แต่นิดเดียวเลยขาดผัสสาหรมโนสัญเจตนาอาหารกับรับอาหารในในทุกทุวานนั่นแหละส่วนวิญญาณมโนสัญเจตนาอาหารคืออะไรคือเจตนากรรมเนี่ยนะเจตนากรรมเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารส่วนวิญญาณอาหารก็คือจิตตัวจิตทั้งหลายโดยเน้นพิเศษคือปฏิสนธิจิต อันนี้ผู้ตามสุตันตน์นายถ้าพี่รรมนายเนี่ยนะภาษะกับจิตทุกดวงชื่อว่าภาษาอาหารเจตนาในจิตทุกดวงชื่อว่ามโนสันเจตนาหารจิตทุกดวงชื่อว่าวิญญาณอาหารในอาหารปัจจัยแต่ตรงนี้ไม่ไม่ได้เน้นขนาดแบบปัจฐานอะไรขนาดนั้นหรอกในเรื่องนี้ท่านภาษารรบุตรได้กล่าวว่าถ้ามีคําถามมาสัตว์ดํารงชีพอยู่ได้เพราะปัจจัยดํารงชีพอยู่ได้เพราะอาหารเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุฉไฉ่ เมื่อปัจจัยของสัตว์ทั้งหลายแม้อย่างอื่นมีอยู่พระองค์ก็ตรัสไว้แค่สี่อย่างเหล่านี้เท่านั้นจริงๆแล้วปัจจัยทั้งมีทั้ง24ปัจจัยใช่ไหมที่จะทำให้ดำรงอยู่ได้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวทำไมจึงขับเน้นพิเศษเฉพาะสี่ปัจจัยเหล่านี้สี่อาหารเหล่านี้ล่ะทำไมไม่เอาอย่างอื่นมาแสดงให้มากมายตอบว่าพระองค์ตรัสไว้ก็เพราะเป็นปัจจัยพิเศษแห่งสัน ต, ติภายใน หมายความว่าชีวิตแห่งการสืบเนื่องทั้งนามธรรมาและรูปประธรรมนี้อ า, อาศัยอาหาร4ประการเนี่ยนะอาหาร4ี่ประการทําให้ทั้งรูปธรรมและนามประธรรมไหลสืบเนื่องกันไปในทวารต่างๆเช่นกับพลิงกราหารเนี่ยนะเป็นปัจจัยพิเศษของรู ป, ปรกายของสัตว์ทั้งหลายผู้มีกับพลิงกะาหารเป็นภาษาเป็นผกษาคือเป็นอาหารอย่างเช่นในทวารตาเนี่ยนะถ้าเราขาดสารอาหารตาของเรานี้จะเห็นได้ขนาดนี้ไหม ถ้าเช่นขาดวิตามิน A ขาดสารอาหารขาดอะไรหลายอย่างไงนะทำให้ตามองเห็นได้ขนาดนี้ไหมพราะั้นกับพลิงกรอาหารเนี่ยทำให้ตานี่มองเห็นทีนี้แม้กระทั่งรูปที่เราเห็นถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยนะก็อาศัยอาหารเนี่ยนะดำรงเลี้ยงดูเลี้ยงดูอยู่ได้ทุกคนที่ถ้าขาดอาหารนี่จะเป็นยังไงนะนั่งเนีเป็นยังไงถ้านั่งอย่างนี้ไม่ให้เพิ่มอาหารเลยนะวันที่เจ็ดผ่านไปจะเป็นยังไงนะสงสัย ตอนแรกก็เก้าอี้มันชนะตอนแรกก็ชนะเก้าอี้ใช่ไหมตอนหลังนี่แพ้เก้าอี้เลยไปอยู่ใต้เก้าอี้ <c oughs> แหละอยู่ตรงนั้นอะ่ะถ้าขาดกับผลินกระหานเนี่ยนะนั่นกับผลินกราหานเนี่ยนะมันทําให้มีตามีหูทําให้สุขภาพให้รูปประกายนี้ดํารงอยู่ได้เป็นไปได้ถ้าเย็นพวกยาบางคนเนี่ยขาดยาแม้แต่มือเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมคนที่ ท, ที่ที่เป็นต้องใช้ยาโรคหลายๆตัวที่ต้องต้องใช้ยาอยู่ตลอดเนี่ยนะ ขาดยามเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนนะมันก็อันนี้ข า, ขาดกับพลิงกระหานกับพลิงกระหานนี่มันเป็นปัจจัยให้เป็นไปได้ส่วนผัสาหานเป็นปัจจัยพิเศษของเวทนานเช่นเพราะจักขู่สัมผัสเนี่ยนะเพราะตาอาศัยจักขู่กับรูปเกิดจกักขูวิญญาณสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะมันรู้สึกดีใจเสียใจเฉยๆก็เนื่องจากมีผัสสะทางตาดีใจเสียใจเฉยๆก็เพราะมีผัสสะทางหูเพราะมีผัสสะจึงดีใจเสียใจทางจมูก ทวารจมูกเพราะมีผัสสะจึงดีใจเสียใจที่มาจากทวารลิ้นเพราะมีผัสสะเนี่ยนะจึงเกิดเวทนาให้ดีใจเสียใจทวารกายเพราะมีผัสสะเพราะคิดนั่นแหละจึงทุกข์เหมือนกันเถอะเพราะคิดถึงบางอย่างก็เลยดีใจคิดถึงบางอย่างก็เลยเสียใจเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาผัสสะในทวารห ในแง่มองในแง่รู ป, ปธรรมเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายและหะทยะวัตถุเนี่ยนะจำต้องมีกับผลิงกระหานเป็นตัวหล่อเลี้ยงกับผลิงกระหานเป็นตัวหล่อเลี้ยงวัตถุคือรู ป, ปธรรมคือทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและหะทยะคือหะไทยเนี่ยนะส่วนเมื่ออายตนะเหล่านี้เนี่ยนะดี เป็นฐานรองรับเนี่ยนะก็อาศัยปภาษาทะภาษาทะความฝองสสยก็รับกระทบกับอารมณ์ภายนอกวิญญาณในทวารห ก, ก็เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณในทวารหกเกิดขึ้นผัสสะก็เกิดขึ้นผัสสะก็เป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ยนะก็ไล่สืบเนื่องแห่งเวทนาพอเวทนาเกิดขึ้นมาโดยมากทําอะไรกันเจตนากรรมก็เกิดขึ้นทํากรรมละกรรมเนี่ยก็เป็นปัจจัยพิเศษแก่ปฏิสนธิจิตใน พบ ต, ต่อไปเนี่ยนะมันโมสันเจตนาอาหารท่านบอกว่าเป็นปัจจัยพิเศษของวิญญาณเป็นปัจจัยพิเศษของจิตวิญญาณเนี่ยนะเป็นปัจจัยพิเศษของนามรูปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายร่างกายนี้ดํารงอาหารจึงดํารงอยู่ได้ไม่มีอาหารไม่สามารถดํารงอยู่ได้อนนที่ยืนอยู่ได้ทุกวันก็เพราะมีอาหารเดินได้นั่งได้นอนได้ก็เพราะมี อาหารเชื่อไหมขาดอาหารยังนอนไม่ได้เลยเอ่ะต้องลุกมาหาอาหารก่อนแล้วทานเสร็จแล้วค่อยกลับมานอนไหยเอา้าไม่เชื่อให้นอนอย่างเดียวดูไม่ทําอะไรเลยนะกินเสร็จแล้วกลับมานอนต่อเ น, นี่ยได้เว้นไว้แต่ว่ามีแบบพิเศษมีสายยางใส่ที่เจาะค อ, อมัง่งเจาะจมะูทะลุจมูกเข้าไปเสียบให้ท้าอย่างนี้ก็แล้วไปนะแต่พูดถึงธรรมดาทั่ ว, วไปก็แม้กระทั่งนอนอยู่ก็ยังลุกขึ้นมาทานอาหารแล้วกลับไปนอนต่อเ น, นี่ยนะ อยู่น้ำก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ําเท่านั้นแล้วกลับไปนอนต่อเป็นต้นมันกายนี้มันดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารจริงๆสมมุติถ้าอาหารคือข้าวอาหารคือข้าวขาดได้กี่วันกี่มื้อดีโดยทั่วไปแล้วไม่เพิ่มเลยถ้าขาดข้าวขาดน้ําตัดเรียกว่าขังเดียวเลยนะถูกขังเดียวนี้คิดว่าจะอยู่สักกี่วันดีตัดข้าวตัดน้ําหมดเลยโดยรวมๆแล้วโดยมากก็เจวันก็ะมาณั้น เวันเลยนะอยาขยับตัวอย่าทําอะไรประมาณเจ็ดวันนี้ก็ปางตายแล้วล่ะวันที่แปดนี่ก็เก็บศพได้เลยปฏิสนธิบอกโอ้ไม่อยู่แล้วทิ้งแล้วกายนี้สู้ไม่ไหวแล้วยอมแพ้เลยแบบหากายใหม่ต่อไปเนี่ยนะเพราะกายนี้มันดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นไปได้สืบได้เพราะอาหารเนี่ยนะกลัวหลายๆแห่งก็เพราะไปอยู่แล้วกลัวจะขาดอาหารเนยขาดกับมะลิงกระราหารก็เลยไม่ไหวแล้วเนี่ยนะกลัวมากนิด เหมือนอย่างเวทนาเกิดก็เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยร่างกายของทุกคนที่ดำรงอยู่ได้นะกระจับกระเฉงเป็นไปไหนไปไหนมาไหนได้ก็เพราะเพิ่มอาหารอยู่ตลอดเวลาท่านอย่างบ้านเราเมืองเรานี้จึงมีร้านอาหารเต้นไปนหมดเลยนะคอยหนุนให้กายเนี่ยสืบเนื่องไปได้เหมือนรถก็มีปั๊มไว้วางรถทั่วทุกถนนนะทุกเส้นเนี่ยมีปั๊มวางไวไ้หมดเลยคอยเติมน้ำมันให้รถให้วิ่งต่อไปได้นี่ก็เหมือนกันมีร้านอาหารมีอาหารเนี่ยนะให้เป็นไปดำรงอยู่ได้ บางคนก็บอกมองเห็นทุกอย่างเป็นผักไปหมดเลยนะมองเห็นเป็นผักเป็นมองเห็นผลไมกก้ก็โอ้ยเสือ่อมเนี่ยว่าชีวิตยังไปได้อีกนานใช่แล้วอยู่ในวัตฏะทนนะไปได้อีกนานทีนี้เวทนานี่นะความรู้สึกทั้งหลายก็เพราะมีผัสสะเราไม่เคยว่างเว้นจากความรู้สึกเลยนะไม่เคยว่างเว้นจากเวทนาเลยจะว่างเว้นได้ยังไงเพราะมีผัสสะอยู่ทุกทวารอย่างนี้เมื่อมีผัสสะกับทุกทวาร สลับทวารไปเรื่อยภาษาทวา น, นั่นทีทวานนี่ทีสลับพระเข้ากันไปเรื่อยอย่างนี้แล้วจะให้เวทนานี่มันบกพ ร, นะร่องได้ยังไงก็มีเวทนาท่านเวทนาดำรงอยู่ได้เกิดมีอยู่ทุกวันก็เพราะมีภาษาเนี่ยนะวิญญาณเกิดมีก็เพราะมีสังขารคือกรรมนี่แหละเป็นปัจจัยเช่นวิปลาวกวิญญาณเนี่ยนะวิปาวกวิญญาณทั้งหลายก็เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยนะเช่นเจตนาปฏิสนธิจิตภวังคจิต จกักรวิญญาณสัมปติจกักรวิญญาณสัมปติชนะโสตวิญญาณสัมปติชนะพวกนี้ก็เพราะมีสังขารคือมีกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยนานักขะนิกะดั ม, มปัจจัยส่วนนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปนามรูปในที่นี้หมายว่ า, วานามที่สัมปยุตรรูปก็คือจิตแต่ชรูปจิตตชรูปทั้งหลายเนี่ยนะก็ดํารงอยู่ด้วยวิญญาณเป็นปัจจัยอย่างที่ของมาพูดพูดอยู่นี้ก็เพราะมี วิญญาณเป็นปัจจัยเนี่ยนะทาทำให้เสียงเปล่งออกมาได้ก็เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัย